พวกเราส่วนใหญ่ที่มาวัดป่าสุกโตเชื่อมมาจากที่ไกลที่มาจากกรุงเทพโดยเพราะกับคณะเลมอนฟาร์มนี่ก็มีไม่น้อยรวมทั้งจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปหลายคนก็อุตส่าห์ดันด้นเดินทาง มาถึงนี่เป็นรยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแลวบางทีก็อาจจะเจออุปสรรคหลายอย่างอย่างเช่นรถเสียนะที่พวกเราชาวเลมอนฟาร์มได้ประสบเมื่อวานนะก็อาจจะถือว่ายังน้อยนะเมื่อเทียกับบางคณะ ที่รถไม่มาเลยก็มีเพราะว่ามีเจ้าอื่นเขาให้ราคาดีกว่าก็หายวัดไปเลยไม่มาโผล่ที่กรุงเทพเลยซ้ำเคยมีนะมางานวันแม่เนี่เนะมื่อ20ปีที่แล้วนะต้องนั่งรถรถบัสพัดลมมานะแทนที่จะเป็นรถติดแอร์มาถึงนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเพราะว่าทางมันก็แย่สมัยนั้นก็เป็นทางลูกลัง หลายคนก็อาจจะบ่นว่าโอ้ยทางมันยากนะแต่ว่าง่ายกว่าเมื่อสมัยก่อนที่พอเราดันต้นกันมาจากที่เกิดไกลนี้หลายชั่วโมงนี้เพื่ออะไรหลายคนก็อยากจะพบกับความสงบหลายคนก็อยากจะหาคำตอบให้แก่ชีวิตแบกบความทุกมาแล้วก็หวังว่าจะได้พบ คนที่มาปัดเป่าความทุกข์ของเราพูง่ายๆก็คือว่าหวังจะมาพบกับความสุขนะพบความสงบแต่มาแล้วก็หลายคนอาจจะผิดหวังก็ได้นะเมื่อครูบาอาจารย์บอกว่าหนทางออกจากทุกข์นี้มันมีอยู่แล้วนะที่ใจของเรา ความสุขความสงบที่เราแสวงหาด้านด้ น, ดานมาจากที่ไกลมันไม่ต้องหากัที่ไหนหรอกนะอยู่ที่ใจของเรานั่นเองขอให้เราเพียงแต่หันกลับมาดูใจของเราไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้นะอยู่ที่บ้านถ้ารู้จักดูเจด็ดูใจของตัวเองมันก็พบกับความสงบ นะพบกับคำตอบของชีวิตพบกับทางออกหรือกุญแจที่ไขความทุกข์ไดนะ้ก็ดูเหมือนจะเสียเวลานะไม่น้อยนะเพื่อที่จะดันต้นมาเพื่อที่จะหากุญแจไขคำตอบเสร็จแล้วก็ได้รับคำตอบว่าที่จริงกุญแจไขนี่มันอยู่ที่ใจของเรา อยู่แล้วนะไม่ต้องดันต้นมาถึงนี่ก็ได้แต่ที่จริงการที่ดันต้นมาก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์นะเพราะการที่เรามาระบบคําตอบว่าที่จริงทางออกหรือกุญแจที่ไขออกจากความทุกข์นี้มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันนี่มันก็เป็นคําตอบที่สําคัญเดินทางแต่ไกลเพื่อจะจะมาพบว่าคําตอบหรือทางออกอยู่ที่ใจเรานี่ก็ไม่ใช่ว่า เป็นเรื่องที่ศูนย์เปล่าหลายคนก็เดินทางกันไม่ใช่แค่2องกิโลร้อกิโลบางทีเดินทางกันข้ามประเทศข้ามทวีปเพื่อจะมาพบว่าที่จริงคำตอบที่จะออกจากทุกนี้มันอยู่แล้วในใจของเราใกล้แสนใกล้แต่ต้องเดินทางไกลแสนไกลถึงจะพบคาตอบที่ไกลแสนใกล้เหลือเกิน อันนี้ก็ทำให้ชวนให้นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะอาจจะมีข้าวความจริงอยู่ก็ได้เป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งนะชาวบ้านชาวระนองก็เรียกว่าลุงวัดนะแกเป็นคนระนองก็เป็นคนทาบุญทำกุศลใจดีมีเมตตาเ อ, อื้อเฟือเบแผ่นะแต่ว่าแกก็ยากจนนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกฝัน ซ้ำๆกันอยู่หลายคืนติดต่อกันก็คือฝันว่ามันมีคุมทรัพย์อยู่คุมทรัพย์อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่จังหวัดชายภูมิที่อำเภอแก่งครอ้มันจะมีหอนาฬิกาอยู่ในแก้งครอนี่มีหอนาฬิกาอยู่ หลังหอในราการนี่จะเป็นต้นไทรใหญ่ใต้ต้นไทรนั่นแหละคุมซั์แกก็ที่แรกก็คิดว่ามันเป็นฝันฟุ้งซ่านนะแต่ว่าฝันแบบนี้ติดต่อกันหลายคืนแล้วก็ชัดเจนมากด้วยความสงสัยอดลนทนไม่ได้แกวันหนึ่งแกก็เลยเดินทางนะ จากระนองมากรุงเทพจากกรุงเทพมาชัยภูมิชัยภูมิมาแก้งคร้อนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะก็เรียกว่าตลอนตลอนมาระยะทางก็ค ง, คงเป็นคงเป็นพันกิโลนะเมื่อแกมาถึงแกล้งคร้อก็ได้พบว่ามันหาหาหอนาฬิกาไม่ยากนะเพราะว่าทั้ง อำเภอก็มีที่เดียวแหละยุ่นนอกอำเภอสักหน่อยไปถึงก็เห็นบรรยากาศทัศนียภาพเนี่ยมันตรงกับในฝันเลยรวมทั้งต้นไทรใหญ่ด้วยมีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนในฝันก็คือมีตำรวจคนหนึ่งกำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ใต้ต้นไทรนั้น ตำรวจก็ถามว่าแกมาทำไมนะดูท่าทางนี่เป็นคนเดินทางไกลลุงหวัดเนี่ยลุงหวัดก็ตอบว่าเนี่ยแกก็พาซื้อก็ตอบว่าฝันมาหลายวันแล้วว่ามีขมทรัพย์อยู่ใต้ต้นไทรนี่แหละที่อำเภอแก่งคร้อนะก็เลยดันด้นมาตำรวจนั้นได้ฟังก็หัวเราะนะก็บอกว่าลุงเชื่อเรื่องไร้สาระนี่ด้วยเหรอ นะผมเองก็ฝันเป็นกันนะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อลุงวัดนะอยู่ที่ระนองใต้เตียงของเขาเนี่ยนะมันมีขุมทรัพย์อยู่ถ้าผมเชื่อไอความฝันงนี้นี่ผมก็คงต้องละเหตุไปที่ระนองแล้วแหละนะลุงอย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระนี่เลยที่แรกลุงวัดแกก็ รู้สึกผิดหวังนะโออุตส่าห์มาถึงพันกว่ากิโลมาพบคามาพบว่ามันไม่มีคุมทรัพย์อย่างที่แกเข้าใจแต่ว่าพอแกกลับไปที่รอนองกลับไปบ้านแกก็เฉลียวใจตำรวจคนนั้นไม่ได้รู้จักชื่อแกเนี่ยแต่แกฝันถึงลุงวัดนะไม่ได้มีการแนะนำตัวกันแต่แกฝันถึงลุงวัดบอกว่าใต้เตียงของลุงวัดนี่มันมีขุมทรัพย์ แกก็เลยลองขุดไปดูนะบ้านแกมันก็ไม่ได้ขุดขุดอะไรไม่ยากเท่าไหร่เพรากลว่าเจอขุมทรัพย์นะอยู่ใต้อยู่ใต้เตียงของแกนั่นเองอุตส่าห์ไปหาจนถึงชายภูมิแกล้งครอนะแต่พรว่าที่จริงมันก็อยู่ใกล้แกนี่เองนะอยู่ใต้เตียงจะพูดว่าที่แกไปถึงแกล้งครอนที่ศูนเปล่าหรือเปล่านะ ก็คงไม่ใช่นะเพอาะถ้าแกไม่ไปถึงแก้งเขาก็คงไม่ได้เจอกับตํารวจคนนั้นแล้วตำรวจคนนั้นก็ชี้นะว่าคุมทรัพย์อยู่ที่ไหนไอ้พวกเรานี่อาจจะเหมือนกับลุงวัดก็ได้นะอุตส่ามากันถึงนี่นะมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอคุมทรัพย์หรือสมบัติตามที่ต้องการเพราะอะไรเพราะว่าสมบัติที่แท้จริงนี่มันมันอยู่ใกล้ มันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาคืออยู่ที่ใจของเรานั่นแหละนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทําก็คงไม่ต่างจากตํารวจคนนั้นคือชี้ให้เราได้รู้ว่าไอ้ที่เราแสวงหากันเนี่ยนะเสียเวลากันมากันเป็นวันวันนะระยะทางเป็นร้อยเป็นพันกิโลจริงๆเนี่ยความสุขความสงบมันไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยนะมันอยู่ที่ กลางใจของเรานี้เองนะเหมือนกับที่ลุงวัดพบ ว, ว่าทุกแกนอนอยู่ใต้ขุมทรัพย์แกนอนอยู่บนขุมทรัพย์มาตลอดนะแต่แกไม่รู้เพียงแค่รู้เท่านั้นนะแกก็ร่ํารวยนะแต่ว่าพวกเรานี้ก็ไม่ได้หวังความร่ํารวยที่เป็นเงินเป็นทองนะแต่ว่าถ้าเรารู้จัก หันมาดูใจของเราเราก็จะพบกับอริยทรัพยนะ์เป็นทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถจะให้ความสุขแก่เราได้อย่างไม่มีวันหมดนะมันเหมือนกับ น, น้ำทรัพย์ที่ให้น้ำนะอยู่ชั่วนาตาปีไม่ว่าจะหน้าฝนหรือหน้าแล้งก็ยังมีน้ำผุด ให้เราได้ใช้สอยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตานน้ำอยู่ในใจเรานี่ก็มีนะต้นทานแห่งความสุขนะหรือว่าตานน้ำที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขที่สามารถจะหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราให้ชุ่มฉ่ำเย็นชำ่ำได้ตลอดเวลาไม่ว่า ในยามขึ้นหรือยามลงไม่ว่าในยามที่พรั่งพร้อมในวัตถุหรือว่าแห้งแรงอัตคัดขาดแคลนสิ่งของคนส่วนให ญ, ญ่ทุกวันนี้นไปไปนึกว่าความสุขมันอยู่นอกตัวแล้วก็ดิ้นหลนแสวงหาหาทรัพย์สมบัติหาเงินทองจะมีความสุขก็ต้องไปลงดูดูหนังในโรง หรือไม่ก็ไปเที่ยวห้างหรือไม่ก็ต้องออกจากกรุงเทพไปชื่นชมธรรมชาติไปเที่ยวในที่ไกลๆเขาใหญ่ผูหลวงตะรูเตาภูเก็ตนะหรือไม่ก็ไปถึงเมืองนอกแต่ก็หลายคนก็จะพบว่าไปถึงนั่นไมไปไกลถึงเมืองนอกถึงต่างประเทศก็ไม่มีความสุข แม้จะได้กินอาหารที่อร่อยแม้จะได้ฟังเพลงที่เพราะมันก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าใจผวองนะไปถึงอเมริกาไปเที่ยวนับตกแนกร่านะแต่ว่าใจนึกถึงลูกหรือว่าห่วงงานหรือว่ากังวลว่าพรุ่งนีนะ้จะมีเครื่องบินพากลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าว ว่าฟ้าปิดนะก็กังวลขึ้นมาพอเกังแบบนี้แล้วก็ไม่มีความสุขนั้นะจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปเจอสิ่งที่เลิ่เลอประเสริฐสีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ว่างใจกังวลก็ไม่มีความสุขกินอาหารที่อร่อยนะแต่ว่าใจว้าวุ่นกังวลถึงงานที่กาลังรออยู่ก็ไม่มีความสุข ฉัน้ถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะได้พบกวับความสงบนะแต่พวกคำตอบของชีวิตนี้ก็ต้องหมันมาดูใจของตัวเองเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มันรุมเร้าเรารบกวนเรามันไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะมันไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นมันไม่ใช่เพราะคำพูดของใครบางคนหรือไม่ใช่เพราะว่าเงินในกระเป๋าเราหดหายไปหรือว่าของแพง ค่างเงินตกไม่ใช่นั่นอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไปยึดปั่นสาคัญหมายกับสิ่งนั้นหรือว่าไปไปไปติดตรึงยึดติดนะกับสิ่งที่เป็นอดีตก็ตามหรือว่าไปกังวลกับสิ่งที่เป็นอนาคตก็ตามก็ไม่มีความสุขลองสังเกตดูว่าไอ้ที่เราทุกวันนี้ที่เราทุกเนี่ยเราทุกเพราะอะไร มันไม่ใช่เพราะทุกกายนะคนสมัยนี้ทุกกายนี่น้อยมากทุกกายเช่นร้อนหิวป่วยเจ็บนะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหรนะ่เพราะว่าเรามีความสดวกสบายแทบจะพร้อมพร้อม พ, พรั่งนะสิ่งที่เรียกว่าความหิวนะแทบจะไม่ค่อยได้เจอความร้อนก็มีอยู่บ้างแต่ที่ทุกข์ก็เพราะใจนะ ทุกใจเนี่ยคือโจทย์ข้อใหญ่ของคนสมัยนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองถาว่าทุกใจเพราะอะไรนะก็มักจะหนีไม่พ้ น, นการที่ไปจมอยู่กับอดีตเช่นอะไรในสิ่งที่เสียไปในเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอาจจะรู้สึกผิดติดค้างใจ บางคนนี่2ี่สิปีแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่สางซาเลยนะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะใจที่ห่วงอะไราในอดีตเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปหรือว่า ห่วงกังวลกับสิ่งที่มาไม่ถึงนี่แหละคือตัวการสำคัญของความทุกข์ของคนในปัจจุบันตัวอย่างง่ายๆในเมื่อวานนี้นะพวกเราลดเสียขึ้นมาจริงๆอ า, อาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างเช่นแดดร้อนอากาศอ้าวนะแต่ว่าถึงแม้จะพาพวกเราไปพักนะในที่ที่มันเย็นสบาย หลายคนนะก็อาจจะเกิดความกังวลขึ้นมาโดยพ่อพูดจัดนะกักงวลว่าจะทัำยังไงบางทีก็คิดอะไรต่างๆไปล่วงหน้าไอ้สิ่งที่ทุกข์นี่มันลดแต่เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นทั้งนั้นเหมือนกับเราขับรถในกรุงเทพแล้วเจอรถติดเนี่ยเจอรถติดนี่ท่านั้นที่อยู่ในรถแอร์เปิดเพลงเพราะเราก็ยังมีความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะไปคิดถึง เหตุการณ์ข้างหน้าว่ า, าจะไปทันไหมประชุมหรือว่าเพื่อนเขารออยู่เขาจะคิดกับเราอย่างไรเขาจะพูดถึงเราอย่างไรถ้าไปไม่ทันเพื่อนก็จะรอเราไหมหรือว่าถ้าไปช้าเพื่อนจะรอเราไหมหรือว่าเขาจะทิ้งเราไปเลยเยขาจะโกรธเราแค่ไหนเนี่ยทั้งหมดนี้ที่นึกเอาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็ทำให้เราทุกข์ บางคนก็ทุ ก, กข์เองหายเงินหายแต่เราเคยถามตัวเราเองบ้างหรือเปล่าว่าไอ้เงินหายแล้วทําไมใจเราต้องหายด้วยนะโทรศัพท์เสียแล้วทําไมใจเราต้องเสียด้วยทําไมไม่ปล่อยให้เสียแค่อย่างเดียวคือเสียไอ้สิ่งที่มันนอกกายแต่ว่าใจเราเนี่ยก็ยังเป็นปกติอยู่เงินหายก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์นะ แต่ที่ทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยมันไปไปห่วงไปกังวลหรือว่าไปผูกพันยึดติด ก, กับสิ่งที่ เ, เสียไปปล่อยวางไม่ได้ใจที่ปล่อยวางไม่ได้นี่แหละนะหรือว่าใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะที่มันเป็นที่มาแห่งความทุกข์เราแบกสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่วางไม่ได้อย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่นะ ขันธนาเป็นของหนักนะขันธหนาก็คือเรื่องรูปธรรมนามธรรมเรื่องรวมทั้งเรื่องความคิดประสบการณ์ที่ผ่านพ้นไปด้วยนี่เราแบกเอาไว้นะสิ่งที่เราผิดพลาดไปในอดีตแทนที่เราจะาสรุป บ, บทเรียนแล้วก็ทิ้งมันไปเก็บแต่บทเรียนมาเราก็กอดเอาไว้หลายคนเนี่ยไปทุกข์เพราะอดีตมากนะ ถ้หน้าที่ความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันสามารถจะให้บทเรียนแก่เราได้แต่เราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตนะอาตมาว่าเปรียบมันเหมือนกับทุเรียนนะทุเรียนที่มีน้ําแหลมคมทุเรียนที่มีน้ําแหลมคมนี่ถ้าเราไปกอดเอาไว้นะมันก็เจ็บนะยิ่งไปกอดไปบีบว่ายิ่งเจ็บใหญ่เพราะน้ําก็จะทิ่มเนื้อตัวเรา แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากทุเรียนนะเราก็จะพบว่าโอ้เพียงแค่เอาเปลือกออกมันก็จะมีข้างในมีเม็ดมีเนื้ออร่อยเราก็กินเนื้อแล้วก็ทิ้งเปลือกไปนะก็กลายเป็นของดีไปประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตนะมันก็มีประโยชน์มันสามารถจะให้บทเรียนที่ช่วยทำให้เราเกิดปัญญาได้ เราก็ควรจะเก็บเกี่ยวบทเรียนนั้นเอาไว้ไอ้ส่วนความเจ็บปวดอะไรต่างๆก็ทิ้งมันไปเหมือนกับเราทิ้งเปลือกทุเรียนเก็บแต่เนื้อมันแต่บางคนก็เนื่องจากทุเรียนเนี่ยไปกอดแวนแล้วเจ็บบางคนก็ใช้วิธีทิ้งมันไปเลยนะโยนทุเรียนทิ้งไปเลยอันนั้นก็น่าเสียดายนะเพราะว่า ข้างในนี้ก็มีของดีก็เปรียบเหมือนกับคนคนที่มีประสบการณ์ในดีที่เจ็บปวดแล้วก็พยายามที่จะลืมให้การพยายามที่จะลืมเนี่ยก็เหมือนการที่ทิ้งพยายามที่จะทิ้งทุเรียนทั้งลูกไปเลยไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันที่จริงคำพูดของคนนะคำตำหนิคำวิจารณ์นี่มันก็เหมือนกับทุเรียนนั่นนะถ้าเรารู้จักแกะเปลือกออก นะมันก็เราก็ได้ของดีไปไปกินแต่ส่วนใหญ่นี่นอกจากไม่รู้จักแกะเปลือกออกแล้วยังกอดมันเอาไว้เน่นๆใครพูดอะไรมาใครวิจารณ์อะไรแล้วก็ไม่ลืมนะแล้วก็หววนิดคำนึงถึงคำพูดคำต่อว่าของเขาไม่ปล่อยไม่วางแล้วถามว่าทุกไหมทุกแล้วใครทำให้เราทุกมันก็ใจของเรานั่นแหละ ที่เราไปเกอะมันเอาไว้คนพูดเขาพูดไปแล้วเขาก็ลืมแต่ว่าเราตังหาซึ่งเป็นผู้ที่เข้ากล่าวถึงกลับไปกอดไปผูกติดปักตรึงอยู่กับคําพูดเหล่านั้นปล่อยให้คําพูดเหล่านั้นเนี่ยมันทิ่มแทงเอาแต่ที่จริงมันไม่ได้ทิ่มแทงนะเป็นเพราะเราไปกอะมันเอาไว้ไปกอะมันเอาไว้รัดมันไว้เอาไว้แน่นๆที่จริงเพียงแค่เราปล่อยมัน มันก็ตกลงพื้นนะหรือว่าถ้าเราฉลายก่อนนั้นเราก็ารู้จักหาประโยชน์จากมันนะเอาเนื้อออกเปลือกทิ้งไปคมพูดคำจาของคนบางคนม า, า จ, จะมีคำมีคาที่ไม่สุภาพคำหยาบคายแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์ที่เราสามารถจะเอาไปเป็นบทเรียน เตือนใจเราไดนะ้ถ้าเรารู้จักใช้แบบรู้จักฉลาดแบบนี้เนี่ยคำตำหนิคำพูดอะไรก็จะทำแรงเราจิตใจเราไม่ได้เพราะใจเราฉลาดมีหลวงพ่อท่านหนึ่งหลวงพ่อทองดีนะท่านอยู่ที่เมืองชนทนะ่านบอกว่าคนดีนะไข่ปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้นะใครปลาขี้หมาให้กลายเป็นดอกไม้ ที่จริงดอกไม้กับขี้หมามันก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยมันก็มาจากซนะากพืชซากสัตว์มาจากอุจจระจากขี้หมาด้วยเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ขี้หมาเป็นประโยชน์หรือเปล่าขี้หมาถ้ามันกองอยู่หน้าบ้านมันก็เป็นขยะเหม็นส่งกลิ่นไม่ดีแต่ถ้าเราเอาไปเอาไปสมไว้ในในสวนนะ มันก็กลายเป็นปุ๋ยทําให้เกิดดอกไม้ทําให้เกิดผลไม้ที่หอมหวานนะดอกไม้ที่สวยงามนะมันอยู่ที่ใจของเรานะที่สามารถจะเปลี่ยนนะขี้ไม้กลายเป็นดอกไม้ได้ได้หรือเปล่าที่เขาบอกคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะเหตุ น, นี้ก็คือว่าเจออะไรก็ตามนะก็สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้ แม้เจ็บป่วยนะก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ทุกข์นะกลับขอบคุณความเจ็บป่วยด้วยซ้ำนะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้อ่านเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งปอดเธอก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะอายุก็ยังไม่มากแต่เมื่อเป็นแล้วนะก็ทำให้ หานมาสนใจธรรมะธรรมะสนใจธรรมะไม่ใช่แค่อ่านแต่ว่ามาปฏิบัติด้วยแล้วไหนที่สุดเนี่ยก็พบว่าจิตใจสงบลงไปเยอะเลยถามว่าปวดไม่ปวดแต่ปวดกายแต่ใจไม่ปวดแล้วเธอก็บอกว่าก่อนตายก็บอกว่าต้องอยากจะขอบคุณมะเรงนะที่ทำให้เธอได้พบธรรม ะ, ะจริงๆธาไม่ได้อีกไหนเราอยู่ที่ใจของเธอนั่นแหละนะ หนังสือหรือว่าคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยอันนั้นก็เพียงแต่ทำหน้าที่ชี้ให้เธอเห็นขุมทรัพย์ที่มีอยู่แล้วในใจของเธอนะเมื่อเธอใช้ขุมทรัพย์นั้นเธอก็พบความสุขความสงบแม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยในะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งไร้ร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่นอกตัวนะเช่น เกิดกับทรัพย์สมบัติของเราเกิดกับรถยนต์ของเราเกิดกับเงินของเราเช่เงินทายททรศัพท์หายหรือแม้แต่เกิดกับร่างกายแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราวางใจเป็นนะข้อสำคัญคือว่าเราต้องกลับมาดูใจของเรานะให้ที่เราทุกข์เพราะเราปล่อยปะแล้วเลยจิตใจของเราปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความเกลียดปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงาใจ เมื่อเราปล่อยให้มันครอบงำใจนะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะดูดเอาความสุขของเราไปไม่มีใครเอาความสุขไปจากเราได้นะนอกจากพวกกิเลสพวกอารมณ์ต่างๆความโกรธความไน่เนื้อตํำใจนะความ เสียใจยหรือทางพุทธศาสนาเรียกรวมๆกันว่าราคาโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะไอ้พวกนี้แหละคือสิ่งที่มันมาทําความทุกข์ให้แก่เรามันทําความทุกข์อย่างไรก็คือมันดูดเอาความสุขของเราไปกินกินความสุขของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วในใจเราแต่เราปล่อยให้มันเข้ามากินกินโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อที่ที่แล้ว2ที่ที่แล้วมันมันมีข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นเนะีเป็นข่าวที่แปลกมาก คือผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นคนแกอยู่บ้านคนเดียวทุกเช้าแกก็ไปทํางานกลับบ้านก็ค่าคนญี่ปุ่นนี่กลับบ้านค่ําอยู่แล้วแบางทีก็ก่อนจะกลับก็ฉลองกันสักหน่อยนะกินสาเกกันก่อนจะกลับถึงบ้านก็สามสี่ทุ่มบางทีเที่ยงคืนแล้วก็แกสังเกตว่าหลายเดือนที่ผ่านมานันมันมีสิ่งผิดปกติในบ้านของแกก็คือว่าของหาย แล้วของที่หายนี่มันก็ไม่ใช่อะไรหายนะมักจะเป็นพวกอาหารอาหารนี่หายนะแกก็ไม่สังเกตอ ย, อยู่นานนะจนกระทั่งมาสังเกตว่าช่วงสองสมเดือนหลังนี้มันของมันหายบางอย่างแกซื้อมาแกจะกินนะอุตส่าห์ไปซื้อมาอย่างดีหรือบางทีก็มีคนให้คนญี่ปุ่นก็นิยมให้ของขวัญเป็นขนมบ้างนะแกก็หวังจะได้กินเพราว่ามันหายนะ แกก็แน่ใจว่ามันต้องมีคนมาขโมยก็เลยติดกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดแล้วก็จริงอย่างที่แกว่านะคือพอแกมาเปิดกล้องวงจรปิดในช่วงที่แกแจะเห็นคนเนี่ยพอแกออกจากบ้านไปก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักเกือบมาคน้นะของในครัวรวมทั้งในตู้เย็นนะเอาไปกิน ก็เลยเรียกตำรวจมาตำรวจมาก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็เชื่อได้ว่ามีขโมยเข้ามาแต่ว่ามาสังเกตว่าบ้านมันล็อกอยู่นะตำรวจจะเข้ามาในบ้านก็จะต้องให้เจ้าของบ้านเปิดคือไม่มีทางที่จะเข้ามาได้เลยเยไ้ เ, เข้าโจนมาทางไหน ตอนนี้ก็เริ่มค้นหากันใหญ่เลยนะเริ่มค้นหาโจร น, นะเริ่มค้นหาขาโมยนะห้องน้ำไม่มีห้องเก็บของไม่มีคนน้นแม้ทางใต้เตียงหาสุดท้ายก็ไปค้นในตู้นะตู้เสื้อผ้าปรากฏว่าเจ อ, อเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า ถามไปถามาแกผู้หญิงนี้แกบอกว่าแกอยู่ในบ้านนี้เนี่ยมาเกือบปีแล้วอยู่ในบ้านนี้กเกือบปีเวลาผู้ชายนี้ไปทํางานแกก็ออกมาอาบน้ําแต่งอาบน้ําแล้วก็กินข้าวจากสเสบียงที่ผู้ชายคนนี้เก็บเอาไว้พอตกข้าแกก็แว บ, บหายเข้าไป ในในตู้แล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นออกไปทํางานแกถึงจะออกมาจากตู้นะเป็นนั้นว่าขโมยคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่ไร้บ้านแกไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่ก็เลยพูดเรื่พวกจอระจัดพวกเลนลานนั่นเองแล้ววันก็เห็นบ้านนี้เปิดอยู่ก็เลยเข้ามาเข้ามาแล้วก็ติดใจก็นะ อ, อยู่ในนั้นแหละ แกว่าดีกว่าออกไปข้างนอกเพราะข้างนอก น, นี่มันไม่มีบ้านอยู่จะไป น, นอนตามสวนสาธารณะ ก, ก็ลาบากอยู่ในนั้นอุ่นดีอาหารก็พร้อมนะน้ำท่าก็ดีและวแกก็เป็นคนที่เป็ น, ปนคนที่สะอาดนะที่จริงคนญี่ปุ่นนี่ก็แม้แต่คนที่ยากจนหรือว่าคนที่เป็นคนเรร่อนนี่ก็เป็นคนที่สะอาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ทำความสะอาดอย่างดีนะไปใช้ห้องส้วมห้องน้าแกก็ไม่มีร่องรอยที่จะให้ผีสังเกตได้ มีที่สังเกตเดียวคือว่าเอออาหารที่มันหายไปนั่นเองนะขโมยที่แท้จริงอยู่ในบ้านนะพวกเราเนี่ก็มีขโมยเหมือนกันนะขโมยนี่มึงขโมยก็อยู่ในตัวเราก็เยอะนะโดยเฉพาะเด็กนะมีขโมยอยู่ในร่างกายของเราคืออะไรนะฮนะคือพยาธิเนี่ยนะพยาธินี่มันคอยดูดอาหารไปจากเรา กินอะไรเข้าไปนะกินของดียังไงมันก็ดูดเอาพยาธิพยายามก็ดูดเอาอาหารไปถ้าได้กินเยอะนะแต่ตัวพร้อมนะก็มีนะหมาที่ว่าตมานี่ชื่อเสงี่ยมนะโงมกินกินหน้าดูเลยนะแย่งแม้กระทั่งอาหารหมูป่านะที่ที่วันนี้มีหมูป่าตัวหนึ่งเราก็เลี้ยงเอาไว้ก็ไม่เชิงเลี้ยงมันมาก็ต้องเลี้ยงมัน สีงเงียบก็กินด่าไปหมดนะแม้กระทั่งอาหารหมูปา่าก็ไปก็กินปพราะกัวว่าป่วยแล้วก็พอมันถ่ายออกมามันก็มีพยาธิตัวใหญ่ๆตัวมันพร้อมนะแต่ว่ากินเยอะมากอันนี้เรื่อขโมยนะขโมยที่อยู่ในร่างกายของเราบางคนผู้ใหญ่แล้วอาจจะไม่มีขโมยที่เป็นพยาธินะแต่ว่ามาเร็งเนี่ยก้อนมาเร็งนี่ก็ขโมยเหมือนกันนะมันดูดเอาอาหารไปจากร่างกายของเรา ส ก, กมันเร็งเยอะมากๆนี่นะตัวพร้อมเลยนะแต่ว่ามันเล็งนี่มันโตเอา้าโตเอา้ามันโตเร็วมากนะแต่ว่านั่นไม่ใช่แค่ขโมยอย่างเดียวที่เราเจอหรือที่เกิดขึ้นกับเรานะที่มันลึกไปกว่านั้นคือขโมยที่อยู่ในใจนะขโมยตัวที่มันขโมยความสุขไปจากเรามันไม่ได้ขโมยอาหารมไม่ได้ขโมยสารอาหารแต่มันขโมยความสุขคอยลักความสุขไปจาก ไปจากจิตใจของเราคืออะไรนะก็อารมณ์นี่แหละนะที่เป็นอกุศลกิเลสนะที่เราปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็ยึดครองจิตใจตถ้าเกิดว่าเรามาหันมาดูใจของเราบ้างหันมาดูใจบ่อยๆนะขโมยพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ขโมยจะมันกลัวความสว่างนะกลัวแสงสว่างผู้หญิงคนที่เป็นขโมยเนี่ยนะ เขกลัวความสว่างนะเวลาเจ้าของบ้านกลับมาเขาเปิดบ้านเปิดไฟทั่วเลยนะผี้หญิงคนนี้ก็ต้องหลบก็ไปซ่อนในตู้นะอยู่กับความมืดนะพอเจ้าของบ้านออกมาเขาถึงจะตอเจ้าของบ้านกลับไปทํางานเขาถึงจะออกมาได้อารมณ์ที่เป็นขโมยที่ขโมยความสุขไปจากเราก็เช่นเดียวกันนะ มันเข้ามายึดครองจิตใจเราได้เพราะเราเผลอเพราะเราไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยหันมามองดูใจของเราสังเกตไหมว่าเราโกรธเนี่ยนะเราไม่รู้นะว่าเราโกรธเราอาจจะรู้วับวับ้แต่ว่าเราไม่เห็นความโกรธชัดเจนคนที่โกรธแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความโกรธนะว่ามันกลังยึดครองจิตใจเราเพราะตอนนั้นใจเนี่ยมันคิดแต่จะว่า จะด่าเขาอย่างไรดีจะพูดให้เจ็บแสบอย่างไรดีนะจะแก้แค้นเขาอย่างไรดีจิตมันเพ่งออกนอกตลอดนะเวลาเราโกรธนี่จิตเราจะเพ่งออกนอกโกรธเสียงที่มันรบกวนอาจจะบางคนตอนนี้อาจจะโกรธรถยนต์เสียงรถยนต์ที่กาลังดังอยู่ตอนนี้นะหรือว่าโกรธเสียงโทรศัพท์มือถือที่กาลังดังนะเวลาอยู่ในห้องประชุมนะ อาจจะโกรธคนขับรถที่ไม่รู้จักซ่อมไม่รู้จักดูแลรถขันเมื่อวานนะออกรถมาได้ยังไงวะนะควรจะควรจะดูให้ถี่ถ้วนนะโกรธไปเนี่ยใจเราออกไปข้างนอกแล้วนะแต่เราไม่หันมาดูข้างในว่าโอ้ไอ้ความโกรธนี่กาลังกาลังเผาล้นจิตใจของเราเมื่อใ่ก็ตามที่เราหันมาดูใจเห็นความโกรธ เหมือนกับว่าแสงสว่างในศาสตร์ส่องมามันก็หายไปความโกรธนี่หรืออารมณ์ใดก็ตามมันกลัวมันกลัวที่เจ้าตัวจะมองเห็นกลัวเจ้าตัวเห็นเหมือนกับขโมยที่กลัวเจ้าของบ้านมองเห็นหรือแม้กระทั่งขโมยที่มารักตัดสมุนไพรในวัดนะไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่านะแต่คงมีอยู่บ้างนะเห็นติดป้ายไว้พวกนี้ก็กลัวนะกลัวคนในวัดมองกลัวคนในวัดเห็นนะ ไอ้ตัวขโมยสิ่งที่เป็นตัวขโมยความสุขนะไปจากเราเนี่ยมันก็กลัวกลัวที่เราจะเห็นนั้นถ้าเรามันมามองใจบ่อยๆเนี่นะมันก็จะค่อยๆหายไปแต่มันจะกลับมาใหม่นะเพราะว่ามันยังมีตัวแม่อยู่นะก็คืออวิชาตัวแม่นี่มันอวิชาซึ่งมันเป็นขโมยที่เรียกว่าฝังลากลึกมากแต่ว่า ในระหว่างที่เรายังยังไม่เจอตัวแม่นะแต่ว่าเราก็จะต้องหันมาใส่ใจอาการมารู้ทันไอตัวตัวลูกตัวหลานนะที่ขโมยความสุขไปจากเราทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่ในใจอยู่แล้วนะแต่ว่าเราปล่อยให้ความสุขนั้นสูญเสียไปเพราะว่าเราปล่อยให้ขโมยเนี่ยมันเข้ามาครองใจเราเมื่อใดก็ตามที่เราหันมาดูใจของเรานะ ดูใจด้วยอะไดูด้วยสตินะมีความเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นมันก็เกิดความสว่างนะบางทีเราก็เรียกว่าความตื่นนะทักขายกตามมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อ ม, มนี่ก็เรียกว่าตื่ น, ต, นตื่นอย่างตื่นจากอะไรตื่นจากความหลงมันก็สว่างเมื่อสว่างแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นตัวตัวขโมยเราไม่ต้องทําอะไรกับขโมยนั้นนะ เพียงแค่มันรู้ว่าถูกถูกจับได้มันก็หนีไปเวลาเราเห็นอารมณ์ที่มันเผาลวนจิตใจความโกรธความเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจเราเพียงแต่ดูแล้วรู้มันเห็นมันเฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเทวารู้สื่อๆมันก็หายไปมันมันมันละอายมันลายใจแล้วก็หายไปเองนะแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ย ให้เรากลับมาดูใจของเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยการที่จะมาดูใจตลอดเวลามันยากแต่เราอจะเลือกดูใจของเราในบางเรื่องในบางเวลาก็ยังได้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นนักธุรกิจเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นธรรมดาผู้หญิงเก่งเนี่ยก็จะมีงานเยอะรับจ็อบมากนะแล้วเมื่อมีงานเยอะเนี่ยแกก็ต้องนะ ก็เรียกว่าวุ่นทั้งวันและเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะมีนิสัยคือรีบทําชอบทํำเร็วๆและอันนึงที่แกทําเร็วก็คือการกินอาหารแล้วแกก็รู้ว่าต่อมาแกมาพิจารณาดูแกก็รู้ว่าแกมีนิสัยเมื่ก่อนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าพอพอได้หันมาไต่ตองตัวเองจากกิจกรรมบางอย่างแกก็เห็นว่าตัวเองนี่มีนิสัย ชอบทำอะไรเร็วๆโดยเพราะรวมทั้งการกินอาหารด้วยและเมื่อแกคิดจะแก้ไ ข, ขปัญหาของตัวเองเคือแกเป็นคนมีความทุกข์มากนะแกเคยคิดฆ่าตัวตายหลังจากที่งานที่ตัวเองทําโครงการใหญ่โครงการมันล้มเหลวเสียความมั่นใจเสียเซลล์มากเราคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าก็เปลี่ยนใจแต่ว่าที่แ น, น่ๆคือแกมีความทุกข์แม้ว่าจะยังไม่ฆ่าตัวตายก็ตาม ให้ความทุกข์มันบีบบังคับให้แกเต้องเริ่มที่จะหันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและสิ่งหนึ่งที่แกทำเนี่ยตามคำแนะนานของครูบาอาจารย์ก็คือว่ากินอาหารให้ช้าลงเคี่ยวอาหารให้ช้าลงนะแกเป็นคนที่กินอาหารเร็วมากมือหนึ่งไม่ถึงห้านาทีนะและเมื่อแกรเริ่มกินอาหารช้าลงแกรเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่การที่คนเราที่เคยกินอาหารไวๆเคี้ยวไวๆเนี่ยจะกลับมากินอาหารช้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมาดูใจมาดูใจเห็นใจที่มันรนใจที่มันรีบรีบเพราะอะไรรีบเพราะจะได้ไปทํางานระหว่างที่กินเนี่ยใจก็นึกถึงงานที่กําลังรออยู่ข้างหน้าพอเห็นใจที่พอเห็นงานที่กาลังพอเห็นใจที่กําลังกังวลถึงงานที่่ข้างหน้าเนี่ยมันก็วางกลับมาอยู่กับการกินอาหารมีสติกับการกินกินอย่าง กินอย่างช้าๆแล้วแกก็มีการบันทึกด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากการที่ได้ทดลองฝึกฝนตนในเรื่องนี้แล้วแกก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังอย่างหนึ่งที่แกบอกว่าไม่กี่วันหลังจากที่แกเริ่มกินอาหารช้าลงคือว่าพบว่าข้าวเนี่ยมันหวานอาหารนี่มันอร่อยแต่ก่อนนี่ไม่เคยรู้สึกนะว่าข้าวนิ่หวานพวกเรามีใครรู้สึกบ้างไว่าข้าวนิ่วหวาน เด็กๆนี่แตมาว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสัมผัสกับรสชาติของข้าวว่ามันหวานยังไงนะอาจจะไม่พ่อถูกกลบด้วยของหวานอย่างอื่นน้ำตาลเป็นต้นแต่พอเราแกกินช้แกเริ่มสังเกตว่าข้าวนี่หวานแล้วก็อาหารนี่อร่อยแต่ก่อนแกไม่เคยนึกเลยแล้วเมื่อแกแ ก, แกเริ่มกินชาลงแกก็สังเกตว่าเริ่มสังเกตว่าไอ้คนที่อยู่ร่วมโตแกเนี่ยเช่นลูกหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ย แกเริ่มใส่ใจความรู้สึกของเขามากขึ้นแต่ก่อนกินกินกินแล้วก็ไปไม่ค่อยได้โอภาปาสายกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขาสนไม่ค่อยสนใจเขาพูดง่ายง่ายแต่พอแกเริ่มกินเช้าลงแกก็เริ่มสนใจคนที่อยู่ร่วมโต๊เดียวกันด้วยก็เลยมีการพูดคุยกันความสัมพันธ์ดีขึ้นที่เคยห่างเหินกับลูกกับคนในครอบครัวก็เปลี่ยนไปแต่รู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นนะ แล้วแกก็เริ่มมีความสุขแล้วโอ้มันหาความสุขมันหาง่ายนะแล้วแกยังพบว่าโลกของแกที่เคยเป็นโรคท้อง ป, ปวดท้องเป็นประจําแล้วก็โรคหายใจไม่เต็มไม่เต็มปอดเนี่ยมันหายไปฉับพลันเลยทั้งที่เลื้อหลังมาสิบปีนะเคยเป็นมาโรคโรคที่หายใจไม่เต็มปอดเนี่ยนะก็จะหายใจเต็มปอดได้แกทําอะไรรีๆตลอดเวลาใจมันหลนคิดแต่เรื่องงานเรื่องการเนี่ย คนที่ปฏิบัติโดยที่เพ่งในอารมณ์นั้นเนี่ยเพ่งความคิดก็เหมือนกันนะบางคนก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่เต็มปอดแน่นท้องปวดหัวอาการเดียวกันคือการที่มันไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนีมันหายไปเลยอย่างที่น่าประหลาดใจแล้วแกเพราะว่าพอแกกินอาหารช้าลงแล้วเนี่ยแกก็เริ่มทํางานช้าลงด้วยไม่รีบไม่ลุนทางานชิ้นนี้ทํางานชิ้นไหนก็ใจอยู่กับชิ้นนั้น ทำงานเช้าใจก็อยู่กับตอนเชา้าไม่ใช่ทำงานเช้าใจนึกถึงบ่ายทำงานบ่ายใจนึกถึงงานเย็นทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนึกถึงลูกที่บ้านพอไปอยู่กับลูกที่บ้านนึกถึงงานที่ออฟฟิศนะแล้วนะคนเราทําไม่มองใจตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะเดือพราช่วยอย่งคนสมัยใหม่ที่มันเร่งรีบแล้วคนที่เก่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเริ่มแก้เริ่มกลับมาดูใจโดยเริ่มต้นจากการที่กินอาหารช้าลงซึ่งต้องใช้สติมากพรากว่า มันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะเป็นลูกโซ่เลยและปรากฏว่าแกเริ่มที่จะพอความสัมพันธ์กับคนดีขึ้นเพราะการที่แกทําอะไรช้าลงใส่ใจความรู้สึก ข, ของเขามากขึ้นแกก็เริ่มโอนงานให้ลูกนะให้ลูกทําไว้ใจลูกมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนแกไม่เคยเลยเพราะแกไม่เชื่อว่าลูกจะทําได้ดีเท่าแกนะไว้ใจคนมากขึ้นแกก็มีเวลามากขึ้น พอมีเวลามากขึ้นมีเวลาผ่อนคลายก็สามารถที่จะพาพ่อไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อได้แต่ก่อนแกอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่เคยไปเยี่ยมพ่อไม่เคยพาพ่อไปเที่ยวแต่ตอนนี้แกมีเวลาแล้วทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการที่แกมาดูใจตัวเองเวลากินข้าวพอกินข้าวทำให้กินข้าวช้าลงมันก็ไม่ได้ช้ามากเลยนะแต่ว่ามันช้า ช้ากว่าที่แกเคยเป็นชีวิตก็เปลี่ยนไปแปลงไปเริ่มจากการที่หันมาดูหันมากินอาหารช้าลงหันมาดูใจตัวเองในขณะที่กินอาหารเพราะ้นพวกเราเนี่ยที่ว่าที่ครูบาอาจารย์แนะนําว่าให้มาดูใจตัวเองให้มีสติเท่าทันเนี่ยบางคนจะบอกโอ้ยมีสติทั้งวันนี่ยากนะก็ไม่ต้องทำในขนาดนั้นก็ได้ถ้ายัางทําไม่ได้แค่เลือกเอาอิริยาบถแต่อิริยาบถหนึ่งหรือว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสึกว่าเราไม่ค่อยมีสติเช่นขับรถหรือว่ากินอาหารนะหรือว่าการทำงานนะและที่ง่ายๆคือทำให้ช้าลงนะทำให้ช้าลงมีสติดูใจของตัวเองในขณะที่ทำมันก็จะช้าไปได้เองนะจากจุดนี้แล้มันจะนำไปสู่การมีสติ แล้วการดูใจในเรื่องอื่นได้ง่ายขึ้นที่จริงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกไม่ได้ทําคนเดียวแกทํามีหลายมีเพื่อนหลายคนทําเรื่องคล้ายๆกันด้วยซึ่งถ้ามีเวลาจะพูดกันพรุ่นี้ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนี้ใช้กลับมาที่การมาดูใจตัวเองในขณะที่ทําสิ่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปดูแคลนนะการที่เรามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ต้องคิดผักสายมันไม่ต้องคิดกําจัดกฎคมมันแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นโกรธก็รู้ว่าโกรธโมโหก็รู้ว่าโมโหโรนก็รู้ว่ารนแต่ว่าไม่ทําตามมันนะมันก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วเราจะพบว่าความสุขมันก็อยู่ที่ใจอย่างที่ผู้หญิงคนที่กินอาหารชาลงเนี่ยเขาเริ่มพบแล้วว่าเขายอมรับว่าชีวิตเขามีความสุขได้ง่ายขึ้นแต่เดิมหวังความสุขจากความสําเร็จนะจากการชื่นชมสารเสริญ แต่ตอนนี้แกบอกว่าโอยไม่ต้องรอให้เขาชื่นชมไม่ต้องรอให้งานสำเร็จหรอกมันสุขทุกวันอยู่แล้วนะจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ชาลงนะละเนี่ยของดีของวิเศษมันไม่ได้ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานะเมื่อตอนพูดเริ่มเริ่มต้นนี่ก็พูดถึงเรื่องลุงวัดนะมันมีเรื่องหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะ เรื่องลุงวันเนี่ยจะไม่ใช่จริงเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องที่พูดนี่เป็นเรื่องจริงนะมีผู้ชายคนหนึ่งนี่แอฟริกาใต้แกเป็นชาวไร่นี่เรื่องนี้สักประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยในแกได้ข่าวว่ามันมีการค้นพบเหมืองเหมืองเพชรนะมีการคน้นพบค้นพบเหมืองเพชรที่โนนบางที่นี่บ้างนะแกก็อยากรวย แล้วแกทำยังไงแกขายที่แล้วแกแ ก, นะแวแ ก, ก็ออกเดินทางไปตามหาเหมืองเพชรแต่เดินทางไปที่นนทีนี่แกก็ไม่เจอนะแล้วเนื่องจากแกขายที่ไปแล้วแกก็เลยไม่มีงานทำแกก็ทาอะไรไม่เป็นก็หวังว่าจะรวยจากการขายเพชรหลังจากที่หามานานแกก็หาไม่เจอชีวิตแกก็ยากจนลำบากสุดท้ายก็ตาย แกไม่รู้เลยว่าเมืองเพชรนะที่จริงไม่ได้อยู่ไหนหรอกนะอยู่ที่ไล่ของแกนั่นแหละไล่ของแกนเนี่ยต่อมาก็พบว่ามันเป็นเมืองเพชรที่ใหญ่มากแอฟริกาใต้ตอนนี้เนี่ยได้ชื่อเป็นเมืองเป็ น, เ ป, นเป็นแหล่งผลิตเพชรรายใหญ่ของโลกแล้วก็เมืองใหญ่เมืองหนึ่งก็ก็คือที่ไา่ของผู้ชายคนนี้นั่นเอง <laughs> แกไปตามหาไปทั่วเลยนะลืม ดูที่ไล่ของตัวเองนะบางทีพวกเราเป็นอย่างนี้นะเราไปหาความสุขนะต้นๆ้นไปหาความสุขแต่เราไม่พบทั้งที่ความสุขมันอยู่ใกล้เรานี่เองไนงะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะมันอยู่ใกล้เรายิ่งกว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่ที่ที่ยืนหรือว่านอนอยู่บนเหมืองเพชไดซัมเพราะมันอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ใส่ใจจิตใจของเราหันมาดูแจ้งเราอยู่เสมอ ได้สมาธิแล้วเราก็จะพบกับความสู่ความสงบเย็นได้แล้วก็เพื่อนเท่านินนะอ้าวกราบพระพรหมกัน